อันสาธุชนมุตรบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อไปสู่ ส, สมนเณนีทั้งหลายต่อไปนี้ก็โปรดฟังเรื่องราวของบรรดานสามาวดีแต่ว่าในช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของโคศกเทพบุฒิและโคศกุมารรวงความว่าในครั้งที่แล้วโคศกได้ถูกทอดทิ้งมาเป็นวาระที่จิต เพื่อจะให้ตายแต่เธอก็ไม่ตายที่เธอไม่ตายนั่นเพาะสายบุญหนึ่งที่เธอมีความจงรักภักดีในพระประเจกพระพุทธเจ้าคือการนึกถึงพระบัจเจกพระพุทธเจ้านั่ก็เป็นพุท ธ, ธานุสติกรมฐานเหมือนเหมือนกับที่เรานึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นั่นเองว่าพระพุทธเจ้าทรงยืนบัญญัติว่าคนที่นึกถึงชื่อท่านอย่างเดียว ตายแล้วไปเกิดเป็นธรดาไม่ไปเกิดบสนสวรรค์นี่ไม่ชนับเหมือนนับแสนนับเป็นกโกฎอันนี้ทรงต่การทรงแต่กอธินกาบผประกาศรามแต่ว่าโคศกเทพบุตรคนนี้และโคศกคนนี้มีความจงรักภักดีในพระบัจเจพุทธเจ้ามากและใส่การเห่าการหอนป้องกันตราย ยันเธอทอดทิ้งถูกทอดทิ้งเมื่อไรเพราะกรรมที่ทำทิ้งให้ลูกตายในป่าในสมัยที่เป็นโกตุฮริกะ <c oughs> ในชายก่อนบรรดาใ้เธอต้องมาถูกทิ้งแต่ก็เป็นที่น่าแปลกใจท่านเศรษฐีคนนี้ถ้าว่ากาันตามประวัติเดิมแล้วก็ไม่เคยมีภัยอันตรายอันใดๆดมา ก, กับโคศกเลยไม่เคยเจอประวัติ แล้วก็ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นถ้าก็ว่ากำถึงกอดคุ้กรรมเราก็ปฏิเสธไม่ได้เป็นอันว่าเมื่อโคศกไม่ตายหลังจากที่เขาทิ้งเหวแล้วนางกาลีได้นำเงินหนึ่งพันบาทหนึ่งพันกระหาบัะเท่ากับสี่พันบาทไปถ่ายตัวกลับมาตามของสาคำสั่งเขาถ้มาหาสถีตามรําบาลีได้บอกว่าโคศกคนนี้ ท่านได้เกิดมาเธอก็มีความรู้สึกว่าท่านเศรษฐีนี่เป็นบิดาแต่ความจริงมันไม่ใช่ท่เศรษฐีรู้ว่าโคศกเด็กชายคนนี้เป็นหนามยอกอกเกรงว่าจะแย่งตาแหน่งเศรษฐีเขาลูกชายเพราะบรโรหิตุและปัจกรอนว่าเด็กที่เกิดในวันนี้จะเป็นเศรษฐีในวันหน้า ก็บัเอิญพัญญาคนท่านท้องแก่ก็ยังไม่ออกจิงให้นางกาลีเป็นสิว่าขเด็กคนไหนเกิดในวันนั้นบ้างแล้วก็รับเอามาเมื่อรับเอามาแล้วก็คิดว่าท่านลูกของเราเป็นลูกสาวเป็นผู้หญิงเราจะให้แต่งงานกันถ้าเป็นผู้ชายนี่สิ <c oughs> เด็กคนนี้จะต้องมาแย่งตำแหน่งเศรษฐีขลูกชายเอาไว้ไม่ได้ตรงขา ยังได้คิดค่าตลอดมาการค่านี่ก็ไม่ใช่ทุกวันมันจะต้องใช้เวลาตามความเหมาะสมการคิดค่าคิดทิ้งมานี่ใช้เจ็ดวาระใช้เวลานานจนกระทั่งโคศกเป็นหนุ่มตอนเป็นหนุ่มอีตอนนี้มีเมียได้แล้วท่านเศรษฐีจะได้คิดว่าการทอดทิ้งแบบนี้ไม่มีผลแน่ เราจะต้องจัดการค่าเป็นกรณีพิเศษเพราะบ้านใต้ไม่ไกลนักจากบ้านของท่านเศรษฐีในที่นั้นมีในช่างหมอ้อเขาทำหม้อขายทำตุ่มขายในเตาที่สมหมอ้อทุสมตุ่มให้สุกมันใช้ไฟแรงมากท่านจึงได้ไปบ้านของนายช่างหมอ้อแล้วก็นำเงินไปหนึ่งพันกหาปันะ อกลราก็นายช่างหม้อว่าสหายที่รักวันนี้ฉันมาเยี่ยมนายช่างหม้อในความจริงก็เป็นคนที่ไม่ร่ำรวยก็ที่ว่าซื้อเลีก ซ, ซื้อกินขายกินตาลำพังพอปนอมีพอมีความเป็นอยู่อยู่ได้ เ, เงินพันๆนันมันหายากสำหรับคนในฐานะเช่นนี้ ถ้าไปแล้วก็ถามท่านมหาเศรษฐีว่าท่านมีธุระอะไรขอรับดีใจที่เศรษฐีไปเยี่ยมคนขนาดเศรษฐีไปเยี่ยมในมหายากเขาดีใจท่านเศรษฐีก็บอกว่าฉันมีเงินมาพันกหาบนะอันนี้ไม่มีเรื่องอะไรที่มานี่ก็มาเยี่ยมเท่านั้นเห็นว่าเธอทํางานหนักมากไรายได้มันก็ไม่เพียงไม่พอมันก็น้อยกว่าจะได้เงินมาก็มีความเหน็ดเหนื่อย ไอ้ฉันก็พอมีพอกินบ้างพอควรแต่ว่าเงินมันก็เหลือใช้บ้างตามสมควรอยากจะมอบเงิน 1, หนึ่งพันกับพะนะให้ใช้ไน้ช่างมอบก็ไม่ยอมไปเสกกราบแล้วไหวแล้วหลายๆวาระดีใจอันดับแรกเขายอมปร้อยอมใจด้วยกำลังของเงินก่อนอันนี้เป็นตัูคติธรรมดาอย่างคนไทยไทยเรานี่ก็เหมือนกัน ถ้าพูดเรื่องอื่นรู้เรื่องยากถ้าพูดเรื่องเงินจะรู้เรื่องกันง่ายแต่บอกว่าจะให้เงินเนี่ยดูว่าจะหาคนปฏิเสธยากอาจจะมีไม่กันแต่นคนจนอย่างนั้นได้เงินกับอาณนาะมันเท่าเงินกันสักสองสามแสนสมไมนี้ทำไมจะไม่ดีใจรวมความแล้วเ้าก็รับเงินเข้าไว้แล้วก็บอกกับท่านเศรษฐีว่าถ้าพระคุณเจ้าหอเจ้ามีธุระอะไร แม้แต่ชีวิตผมจะตายผมพร้อมจะทำตามทุกอย่างครับเขาดีใจดันเข้าไปเท่านั้นเขาก็ยอมมอบยอมมอบกายถวายชีวิตทันทีแทนสศรษฐีก็บอกว่าฉันมาวันนี้นะั่นนะไม่มีธุระอะไรมากหรอกมาเฉยๆมาเยี่ยมเห็นว่าทำงานเหนื่อยยากก็แล้ว เ, เงินมาให้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันวันพรุ่งนี้ฉันมีธุระ แล้วก็ฉันจะเขียนจดหมายส่งให้เด็กถือมาถ้าจดหมายฉันเขียนมาแบบไหนให้ทำตามนั้นนะเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รายงานให้ฉันทราบฉันจะให้รางวัลยิ่งกว่านี้อีกนายเช่ามอ่อก็รับคำบอกสั่งเถอครับอะไรก็ได้ทุกอย่างแม้แต่ชีวิตผมจะตายก็พร้อมจะทำท่านเสด็จตีก็บอกว่าไม่ถึงก็ตายออกหนา รวมความแล้วท่านนาฮาเสตีตกลงกันในช่างหม้อแล้วก็กลับบ้านวันรุ่งขึ้นก็จัดการเขียนยดหมายว่านายช่างหม้อเพื่อนรักเด็กคนนี้เป็นลูกชายของเราแต่มันเป็นลูกอัคตันยูไม่รู้คนคนมันคิดจะฆ่าฉันม่ตลอดเวลาฉันจะคิดจัการฆ่ามันซะเองก็เกรงคํากระหานินทา อีกป็นการหนึ่งก็เกรงกฎหมายของบ้านเมืองเพราะร่องรอยมันจะมีถ้าหากว่าเธอหวังดีกับฉันตามที่สัญญาให้ไว้ถ้าเด็กคนนี้มาถึงที่นี่มาอะไรให้จักฆ่ามันเสียและตัดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ใส่ในตุ่มที่จะเผาแล้วก็ยัดเข้าไปในตาเผาให้เรียบร้อย เมื่องานนี้เสร็จเมื่อไรารีบแจ้งใหฉันฉันจะให้รางวัลยิ่งกว่านี้ยิ่งกว่าที่ให้ไวแล้วเมื่อเขียนเสร็จก็เรียกโคศกลูกคนมาโคศกเธอไม่รู้ว่าเขาไม่ใยิ่พอเมื่อขึ้นมาแล้วเธอก็ท่านเศรษฐีก็บอกว่าพ่อมีธุระพ่อมีเพื่อนเป็นนะช่างในช่างหม่ออยู่บ้านใต้ไม่ใครนักเธอนะจงเอาจดหมายฉบับนี้ไปนะลูกนะ ไปถึงแล้วก็ส่งจดหมายให้เขาแล้วเขาจะทํางานอย่างไรอย่างหนึ่งตามที่พ่อสั่งเมื่อทํางานนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วจงรีบมากลับมหาพ่อนะแต่รอ ง, งานก่อนถ้างานนั้นเขายัางทําไม่เสร็จลูกต้องคอยก่อนดูผลงานของเขาก่อนก็รวมความว่าโธ่ศก็ถือจดหมายฆ่าตัวไปก็แปหาการบริหารตัวเอง ลงไปจากบ้านก็แปลว่าน้องชายคือลูกแท้ๆของท่านเศรษฐีกําลังเล่นครีอยู่กับเพื่อนแพ้เพื่อนหลายกระดานสิบกระดานกว่าตามท่านบาลีเพราะว่าโคศกนี่เป็นผู้ฉลาดในการเล่นครีเมื่อโคศกลงไปน้องชายก็คิดว่าพี่ชายจริงๆเหมือนกันไม่มีใครก็บอกว่าไม่ใช่พี่ชายแท้ ก็พี่จะไปไหนมาช่วยผมเล่นคลีกแก้ตัวก่อนผมแค่แพ้เขาสิบกระดานกว่าแล้วครับโคศก็บวล น, น้องไม่ได้หรอกเวลานี้พี่ใช่อ่อใชใ้พี่ไปที่บ้านใต้ไปบ้านนายช่วงม้อต้องถือจดหมายฉบับนี้ของพ่อไปนายช่วงหม้อและพี่จะรีบกลับนอร์ชายก็บอกว่าเอางี้ก็แล้วกัน พี่เล่นแทนฉันนะแก้ตัวให้ได้เพราะฉันแพ้เขามามากแล้วฉันไปนําจดหมายให้เขางานเสร็จมาราเมื่อไรจะรีบกลับมหาพี่รวมความว่าเธอไม่ยอมให้พี่ไปเธอถือจดหมายไปเองก็เป็นการบังเอิญจริงๆบรรดาแทนพุทธบริษัทลูกชายเขาท่าเสถียรคนนี้อ่านอ่านหนังสือออกเรียนหนังสือแล้ว เ, เป็นหนุ่ม แม้ว่าถือว่าเป็นจดหมายของพ่อก็ไม่ขี่ดูถือว่าคงจะมีธุระสาคัญโดยเฉพาะพอไปถึงแล้วในชั้นม้ออ่านจดหมายเสร็จก็ช่วยจัด ก, การเรียบร้อยตามระเบียบนั่นคือนําเข้าไปในโรงเผาหม้อเป็นที่รับจัดจา ก, การฆ่าเรียบร้อยแล้วก็ใส่ตุ่มที่กําลังจะเผาใหม่ตัดเป็นท่อนน้อยและท่อนใหญ่ ยัดเข้าไปในเตาเผาจัดการสมไฟแรงเป็นกรณีพิเศษประเดี๋ยวเดียวร่างกายของลูกท่านเศรษฐีก็วอดวายเป็นขี้เท่าไปแล้วก็เทลงไปประสมกระฐานมันก็หมดเรื่องกันอนนี้พอครสกลูกที่มีความสำคัญี่ต้องการ้ายถูกค่าเ ล, ลเล่นคลุจกจนครนทั้งเย็นหมดเวลา น้องชายยังไม่มาก็เลยกลับขึ้นมาบ้านก่อนท่านสถีหเห็นโคศก็ถามว่าลูกพ่อสั่งให้ไปหาในช่างหมอดนะลูกไม่ไปหรือโคศก็บอกว่าน้องเล่นครีแพ้เขาก็รับให้ผมเล่นแก้ตัวผมก็เลยไม่ได้ไปน้องชายไปแทนเท่านั้นเองท่านสตีรู้ทันทีว่าลูกชายจะต้องมีอันตราย แต่ต้องตายเกิดความรักรักลูกได้รักได้แต่คนอีกคนหนึ่งไม่ยักรักลุกทุนผันไม่พูดว่ารีบเปล่งไปบ้านในเชียงหมอกร้องไห้พวกท่านเธอทั้งหลายจงจะให้ฉันทิพายเลยเธอทั้งหลายอย่าให้ฉันทิพายเลยพอ ไ, ไปถึงบ้านในเชียงมอกรในเชียงหมอก็ไม่ได้ฟังว่าเขาพูดไปยังไงรีบอะไรงานทันดีว่านายครับ อาเศรษฐีครับงานที่สั่งเรียบร้อยทุกอย่างไม่มีอะไรสะดุดอีตอนนี้เองแกก็จะเป็นลมตายและบรรดาท่าพุทธบริษัททั้งหลายในตอนนี้ตามหนังสือที่เขียนบอกว่าให้ทุกแกท่านทุกนั้นถึงตัวก็เป็นอนวุวาท่านเศรษฐีแทนที่โคศกจะต้องตายก็ต้องเสียลูกไปถึงคน ตอนนี้ก็มาดูพระพุทธธรตรมไรขององค์สมเด็จพระทศพลท่านบอกว่าทําร้ายผู้ใดทําร้ายผู้ไม่ทําร้ายตอบย่องถึงฐานะย่าแย่สิบอย่างอันนี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทธฟังแล้วก็คิดไว้เลยนะว่าคนที่มุ่งทําร้ายคนที่ไม่ทําร้ายตอบ ย่อมถึงฐานะคือความหายณะสิอ์อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะเะนั้นสมเด็จพระสัมมาทัมมติเจ้าจึงทรงตัดว่าผู้ปทุศร้ายในท่านผู้ที่ไม่ปทุศร้ายตอบหาอาชิย า, ามีได้หมายความหาความผิดมีได้ด้วยความผิดย่อมพันพันถึงสำนักฐ า, านะสิ์อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่งตามนี้คือหนึ่งพึงถึงเวทนาอันหยาบหมายความว่าเขาจะต้องมีทุกข์มากมีความโกรกโกรวัความสมบายใจจะไม่มีมีแต่ความเร่ารอนใจและถึงความเสื่อมคือความเสือเนะเส่อมเห็นฐานะความเสื่อมเหศักดิ์ศรีจะต้องปรากฏ ข, ขึ้นกับบุคคลผู้นั้นความแตกเหสิริระมันหมายถึงว่า ดีไม่ดีถึงก็ตายจะต้องตายความเจ็บไข้อ ย, ย่างหนักและความพุ่งสัน้นแห่งจิตคือหาความสุขใจไม่ได้ความขัดข้องแต่ราชาใช่ไหมครับอาจจะต้องถูกลงโทษจากพยาชาลงโทษตามกฎหมายความกล่าวตูอย่างทารุณแล้วก็หมายความอาจจะมีคนโจษจัทั้งทั้งที่ไม่มีความผิดไม่เป็นอย่างนั้นเขาจะหาว่าเป็นอย่างนั้น ความเสื่อมรอบแห่งญาติหมายความญาติเองก็ดีตัวเองก็ดีหมดศักดิ์ศรีไม่มีใครยอมรับน้ำถือไม่มีใครเคารพไม่มีใครเชื่อถือและความย่อยยับแห่งโผะหมายความทรัพย์สมบัติที่มีอยู่จะต้องสลายไปและได้กล่าวไว้ปรายการหนึ่งไฟป่า ย, ย่อมไม่เริงของผู้นั้นหมายความไฟอาจจะไม่ได้เท่าความแตกแห่งกาย หมความถ้าร่างกายเขาตายไฟอาจจะไม่บ้านก็ได้เขาผู้มีปัญญาสามย่อมเข้าถึงนรกในที่สุดก็ต้องเข้าถึงนรกรกวมความว่าคนที่คิดประทุษร้ายบุคคลที่ไม่ประทุษร้ายหมายความว่าเขาอยู่ดีๆหาทางแก่งแกล้งเขาย้อนอีกครั้งหนึ่งจะต้องได้รับทับโทษอย่างใดอย่างหนึ่งในสิบอย่างครือหนึ่งมี ถึงทุกขเวทนาหยาบคือทุกข์มากสองความเสื่อมสามความแตกเศ ร, รีระคือความตายและสี่ความเจ็บไข้ยอย่างหนักห้าความพุ่งสั้นแห่งจิตจิตไม่ไม่ปกติ 6. หกวความขัดข้องแต่ปราชาคืออาจจะต้องโทษตามกฎหมาย ความกล่าวตูอย่างทารุณมีคนโจดจังกันในด้านเร็วทรามมีคนกันดินทาว่าร้ายไม่มีใครครบหาสมาคมความเสื่อมรอบรอบขอญาติญาติก็จะไม่คบญาติเขาบริสัทธีเสียมศักดศรีไปด้วยญาติดีกาณนาดีเกเขาไม่อยากจะคบหาสมาคมพระตนเร็วในความย่อยยับของโภคะคือฐานะความมั่นอยู่จะสลายตัวจากรวยจะกลายเป็นคนจนจากคนจนจะกลายเป็นขอทาน ในบริการหนึ 1, ่งไฟป่าย่อมไหมเรือไม่เรือนของเขาผู้นั้นเพราะความตายเข้ามาถึงเขาเป็นผู้มีปัญญาสามเมื่อตายแล้วไปนรกหรือเวลาอีกเก้านาทีท่านบอกก็ต่อหน่อยท่านบอกว่ า, ต, ออวาต่อจะนั้นไปท่านเศรษฐีเขาบายใหม่จะต้องฆ่าโคศก ลูกชายลูกเลี้ยงให้ได้เวลานี้ลูกชายเขาตกลตายไปแล้วมันก็เป็นหนามยอกอกข้างใหญ่กรับโทษโคศกว่าลูกชายเขา ต, ต้องตายเพราะเจ้าหนีไปอีกเป็นเหตุยันนั้นท่านเศรษฐีจะหาอุบายก็แต่ว่าโคศกอยู่ก็ไม่สามารถจะดูได้มองเห็นอุบายว่าเราจะส่งมันไปยางสำนักของคนเก็บสวย คือเศรษฐีมีบ้านสวยก็คล้ายๆกับบ้านเช่าแต่ว่าราชามอบบ้านให้เมื่อตั้งเป็นเศรษฐีแล้ว <c oughs> ก็บอกว่าบ้านสวยร้อยหมู่บ้านนี้นะร้อยหลังนี่เจ้ามีอำนาจในการเก็บสวยคือเก็บปรภาษีก่อนเป็นประจำปีเราจะต้องส่งไปให้ในคนในสมียนหรือเจ้าหน้าที่เก็บสวยค่ามันเสียให้ตาย คิดอย่างนี้แล้วจึงได้เขียนยุดหมายฉบับหนึ่งบอกว่านายสมียนไอ้ลูกชายของเราคนนี้มันเลวแสนเลวในทํานองก่อนเรียกว่ามันคิดแกฆ่าฉันอยู่ตลอดเวลามันสร้างความสะเทือนใจคล้ายกันน้ำยอกอกมันไม่เคยคิดว่าฉันเป็นพ่อมันเผื่อว่าอะไรคิดแก้ฆ่ามันนั้น ว่าเจ้าเด็กคนนี้มาถึงบ้านนี้เมื่อไรเธอจงจัด ก, การฆ่ามันทันทีแล้วก็จัด ก, การฝังไว้แล้วเผาไว้เสียนะแล้วทิ้งโยนลงไปในหลุมขี้น่ลงในสุวมอ่ะ่อทําอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วฉันจะให้รางวัลเจ้เธออย่างงามในภายหลังเมื่อเขียนจดหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้เรียกโคศกมาว่าโคศกลูกรัก คนเก็บสวยของพ่อมีอยู่พ่อมีบ้านสำหรับเก็บสวยอยู่ร้อยบ้านเจ้าจงนําเอาจดหมายฉบับนี้ให้เขาแล้วก็เมื่อเขาอ่านจดหมายแล้วจงพยายามรอผลงานพ่อสั่งให้เขาทํางานสําคัญอย่างหนึ่งถ้างานนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเมาืารายงานจงกลับมาหาพ่อ พ่อไม่มีใครเป็นที่พึ่งน้องก็ตายไปเสียแล้วมีลูกคนเดียวเท่านั้นเป็นที่พึ่งของพ่อขอลูกรักจนปฏิบัติตามคําสั่งของพ่อด้วยความเต็มใจเถอะนะเขาพูดหวานขาพุท ด, ดีแต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททหลายก็ได้พูดกับกันไปเพียงเท่านี้ก็พอทั้งนี้พ่ออะไรเพระเวลาหมดสติเวลามันหมดเหลือเวลาหแห้านาที ก็มานั่งคุยกันทั้งเรื่องธรรมะต่อไปนี่เป็นอันว่าการเกิดมาเป็นคนใน บ, บรรดาท่านพุทธบริษัทและบรรดาเพื่อนปริศต์สมเณะทั้งหลายผมได้ยินคนคนมักจะเมามันอยู่เสมอคิดว่าการเกิดเป็นคนนี่เป็นสัตว์อันประเสริฐแต่คิดดูจริงๆและความจริงคนนี่มันจะมีทุกข์มากกว่าสัตว์ที่ดิฉัน สตรีฉันนี่มีความมนมีความวุ่นวายไม่จกคนตัวอย่างท่านโคศกเป็นคนดีแสนดีเกิดมาชาตินี้ไม่เคยทําอันตรายกับใครแต่ว่าถูกคนใจร้ายจองล้างจองพลาญอยู่ตลอดเวลาอันนี้ต้องคิดนะครับต้องคิดเราก็เช่นเดียวกันในกายเกิดของผมก็ดีของพวกท่านก็ดีเขาบรรดาญาโยมพระบวยใส่ก็ดี คิดกันดูดีเราไม่เคยมีความสุขจริงร่างกายนี้เป็นที่เป็นภัยกับเราจริงๆที่เรามีทุกข์อยู่จริงๆเพราะใส่ร่างกายอย่างเดียวหนึ่งทุกข์เพราะความหิวทุกข์เพราะความประหายทุกข์าจากการป่วยไข้มนสบายทุกข์จากการจากการความตายเข้ามาถึงที่สุดรวมควทุกข์นับไม่ท้วนกระโรมความว่าที่พระพุทธเจ้าทรงจัด ว่าเธอทั้งหลายจงทำใจเข้าถึงอากินจัญญาจตนาชานไว้เป็นปกติตอนนี้ทรงตรัส ก, กับคณะลูกษิษยของพราหมณ์พาวารีว่าเธอจงทำใจเข้าถึงอรูปฌานคืออากินจัญญาจตนาชานเป็นปกติเธอจะมีความสุขและอารมณ์นี้อย่าพาเธอเข้าถึงนิพพาน <c oughs> อากินจัญญาญตนาชานะมีความรู้สึกตามนี้คิดคือว่ามีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือคนเกิดมาเท่าไหรตายหมดเท่านั้นสัตว์เกิดมาเท่าไหรตายหมดเท่านั้นวัจโทธาตต่างๆในที่สุดก็สลายตัวเหมือนกันฉะนั้นถต่ว่าเราหวังจะยึดโลกนี้เป็นที่พึ่งเราก็ยึดผิด เราอยู่ได้ไม่นานร่างกายก็สลายตัวถ้ามีกรรมดีแล้วก็ไปเสวยสุคติมีกรรมชั่วเราก็ไปเสวยทุคติถึงแม้จะมีกรรมดีไปเสเวยสุคติก็อยู่ได้ไม่นานเป็นเทวดาหรือผมบมื่อหมดปุณณสนามบา ร, รมีก็ต้องกลับลงมาใหม่ฉะนั้นองค์สมเด็จไปจอมไตรให้ตัดสินใจเพื่อนิพพานเลย ตั้งใจปนิภาณในวความจริงพระนิพพานในบรรดาพุนธิโสสมนเนให้ญาติโยมพระบริษัท ม, ม, ม, ม, มันไม่ของไม่หนักเกินไปสำหรับคนที่มีความดีอันดับแรกการกินข้าวต้มอย่ากระโจมกลางู้ราณเทวอ ย, อย่างนั้นตักตรงกลางมาลร้อนจัดต้องกินริมๆเข้าไปก่อนต่างกำลัง <c oughs> อันดับแรกเรายึดมุมนิพพานให้ได้เสยก่อน มุมของพระนิ a พาก็คือหนึ่งมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันจะต้องตายและมีความเข้าใจไว้เสมอว่าความตายอาจจะมีกับเราในวันนี้อย่าไปคิดว่าวันพรุ่งนี้จะตายมันไกลไปถ้าตายถ้าคิดอย่างนั้นถ้าตายวันนี้เราเสียท่าความดีไม่พอ <c oughs> หลังจากนั้นคิดว่า ก, ก่อนจะตายเราจะยึดคุณพระทรายศาสนาของคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระ อ, อ, อริยสงฆ์เป็นที่พึ่งดนความเคารพเราเคารพสนิทความจริงใจแล้วปฏิบัติตามในศินพระเนนต้องปฏิบัติในสิ่งของตนญาติโยมพุทธบริษัททรงสินห้าให้บริสุทธิ์หลังจากนั้นจิตคิดไม่เสมอว่าร่างตากายนี้มันต้องตายถ้ามันจะตายคราวนี้ ขึ้นที่ว่าการเกิดเป็นมนุษย์กนดีเป็นเทวดาคนดีเพื่อนพ้องคนดีจะไม่มีเสมอเราเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้เป็นปกติถ้ามาเอิญถ้ายังไปนิพพานไม่ได้เราก็ไม่มีโอกาสจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดอสุรกายสเสด็จฉันบาปกรรมเก่าๆไม่สามารถจะลงโทษเราได้เราก็เดินก้าวเข้าไปใกล้พระนิพพานตามลําดับในที่สุดเราก็ถึงนิพพาน ระบรรดาพระธัมพุทธบริษัท ท, ทุกท่านละบรรดาเพื่อนพิณฑษสมนเนิมมองดูเวลาก็หมดแล้วมันก็หยิกคลิกแล้วก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดพิพัฒน์มงคลสมบูรณ์ผนผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาธสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี